ตัวปูนกไม่ไปได้ถ้าวันน้เจอปูนปูนก็ไม่ดีอย่างนี้นจะบอกไปแล้วข้อความในคูหัตตะสุตานิเทศคัมภีร์มหานิเทศเล่มหกสิบห้าหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบหกะสูตรที่แล้วเนี่ยเป็นกามสุตานิเทศก็พูดเรื่องกามวันนี้มาพูดเรื่องกายบ้างแต่กายนี่มีชื่อว่าคูหาหรือธรรมนั่นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านรชนเป็นผู้คล่องอยู่ในถ้ำถ้ำคือกายนะเป็นผู้อันกิเลสมากปิดบังไว้แล้วถ้าใครที่คล่องอยู่ในในร่างกายนะกิเลสก็ปิดบังนะท่านเมื่อตั้งอยู่คือตั้งอยู่ด้วยกิเลสก็ยังลงในที่หลงคือการมคุณห้านราชนนั้นย่อมอยู่ไกลาจากวิเวกก็เพราะกามทั้งหลายในโลก ไม่เป็นของอนันนรชนละได้โดยง่ายถ้าว่าโดยสรุปก็คือใครที่ติดข้องอยู่ในร่างกายเนี่ยกิเลสก็ปิดบังเมื่อกิเลสปิดบังอย่างนี้ก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณห้าเมื่อหมกมุ่นอยู่ในกามคุณห้าก็ห่างจากสิกขาสามหรือห่างจากวิเวกสามที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากามเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละง่ายนะสูตรครั้งก่อนเนี่ยพูดถึงกามแต่ว่าไอ้ตัวกามนี่ไม่ใช่ว่าจะละกันง่ายๆนะ อันคถาเนี้ก็แสดงอัศทะประกาศทุกขสัตย์ขออภัยประกาศสมุทัยสัตว์ว่าสมุทัยสัตว์หรือกิเลสบาปอากุศลทั้งหลายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละง่ายที่ละไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าติดข้องอยู่ในร่างกายกิเลสมันก็ปิดบังตั้งอยู่ด้วยอํานาจกิเลสเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในรูปเสียงปินรสโภทพภะแล้วก็ไม่มีกายวิเวกจิตวิเวกอุปทิวิเวก กาแต่ละอย่างที่เขาไปเกี่ยวข้องก็น่าพอใจทั้งนั้นเลยเนะนะเพราะฉะนั้นเขาละกิเลสไม่ได้ง่ายอะไรกล่าวว่าสมุทัยนี่ละยากเหมือนะนั้นซึ่งภาษาทิบุตรนิเทศว่านรชนเป็นผู้ข้องอยู่ในถ้ำคือร่างกายเป็นผู้อันกิเลสมากปิดบังไว้แล้วคำว่าผู้ข้องนะนะผู้ข้องแต่นี้ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงถ้ำก่อน ถ้าคล่องคในอะไรคล่องในถ้ำคือร่างกายเนี่ยกายนี่เรียกว่าถ้ำเห็นไหมกายนี่เรียกว่าถ้ำเพราะฉะนั้นคําว่ากายก็ดีเห็นไหมถ้ำก็ดีร่างกายก็ดีร่างกายของตนก็ดีเรือก็ดีรถก็ดีธงก็ดีจอมปลวกก็ดีรังก็ดีเมืองก็ดีกระท่อมก็ดีฝีก็ดีหม้อก็ดีเป็นชื่อของร่างกายอันร่างกายนี้มีอยู่สิบาชื่อนะชื่อหนึ่งเรียกว่ากาย กายก็โดยสัพตก็แปลว่าที่อยู่ของสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายที่อยู่ของสิ่งที่น่าเกลียดมีอะไรก็ผมขนเล็กฟันหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอนะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตับหัวใจพังผืดม้ามปอดเนีนะพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็ลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเนี่ยนะ ก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนี่ะน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำไข่ข้อน้ำมูดเป็นต้นเนี่ยแต่ละอย่างก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจโดยที่สุดแม้แต่ลมหายใจก็น่ารังเกียจคือมันน่ารังเกียจสาหรับบุคคลอื่นนะนะแต่ถ้ามันยังอยู่ประชุมรวมกันเนี่ยเมาอยู่ก็เลยดูเหมือนไม่น่ารังเกียจแต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันน่ารังเกียจจริงๆระ มือนถ้าเราถ้าลองแยกดูนะเอาแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาเช่นเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาหนังเนี่ยมาแต่ละอย่างเนี่ยนะลอกหนังให้เงี้ยน่ไม่เอาอยู่แล้วนะนะหรือว่าโดยเฉพาะพวกเนื้อพวกเลือดน้ำสเลตนน้ำหนองเนี่ยนั้นแต่ละอย่างเนี่ยสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งนั้นทั้นคําว่ากายก็คือแปลว่าที่อยู่ของสิ่งที่น่ากเกลียดทั้งหลายนะหรือว่าคําว่ากายเนี่ยเป็นที่เกิดของอาสวะธรรมทั้งหลายที่น่ารังเกียจ กิเลสเนี่ยนะถ้าไม่มีทวารกายนะสมมติถพูดทางพระเนี่ยอบัตปราชิกเนี่ยแทบไม่มีเลยนั่นนะป ร, ะราชิกมันก็คือทวารกายเนี่ยนะนะดังกับปนานาติบาศก็อาศัยกายนะอาทินนาทานการมมีสุมิชชาจานเนี่ยกลุ่มพิษสินเหล่านี้ก็บำรุงร่างกายทั้งนั้นนละยนั้นกายเนี่ยจึงเป็นที่อยู่ของอาสวะทั้งหลายที่น่ารังเกียจ ต, ตัวกายเองก็น่าเกลียดแล้ว ก, กอนะ็อาศัยสิ่งเหล่านี้ทํากรรมที่น่าเกลียดด้วยนั่นไง ใช่ไหมเมาแล้วก็ร่ายรำเนี่ยมันจะน่ารังเกียจขนาดไหนเนมาแล้วก็ร่ายรำดูลงมาเคยบอกโยมบอกว่าตอนเมาเต็มที่นะร่ายรำเสร็จแล้วก็ถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้น่าสังแล้วก็มาดูนั่นไงโอ้จะเป็นยังไงนะนจะน่ารังเกียจขนาดไหนมีโยมคนหนึ่งเขาเล่า ว, ว่าเขาไปเที่ยวอยู่ที่หนึ่งเมาแล้วก็ร้องเพลงเ อ, อ, อะมั่งเทิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะพอบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ย นานกว่าจะกล้าเข้าไปใหม่บอกว่าอายอายตอนที่ไปทําอะไรเอาไว้นั่นนะเพราะว่าสิ่งที่ทําไปนี่มันน่ารังเกียจนะก็อาศัยร่างกายนี่แหละทากรรมที่น่ารังเกียจอันตัวกายก็น่ารังเกียจเพราะเป็นที่ประชุมศูนย์รวมของสิ่งที่น่าเกลียดภาษาโบราณท่านบอกว่าศูนย์รวมของซากศพต่างๆว่างั้นนะที่รวมของซากอสุภาต่างๆคือซากที่น่ารังเกียจทุกอย่างนะ ขอให้หลุดมาจากกายเถอะถ้าหลุดมาจากตาเขาเรียกว่าขี้ตาถ้าหลุดจากหูก็เรียกขี้หูหลุดจากแกมูกเรียกว่าขี้มูกเนี่ยนะขี้มูกกันะขี้มูกโป่งเลยอย่างเงี้ยเขาบอกงั้นอ่าออกจากปากก็ขี้ปากขี้ฟันเออแล้วแต่จะเรียกออกจากผิวหนังก็เรียกว่าขี้กายเนี่ยนะขี้ใครใช่ไหมออกจากทวารหนักทวารเบาก็แต่ละอย่างก็เรียกไม่ค่อยเรียกดีทั้งนั้นแหละขอให้มันออกจากกายนะทานข้าวไปน้ําลายหยดแแมะแม่เนี่ยนะอร่อยไหม ต้องบอกว่าอาหารบางอย่างนะมีบางคนเนี่ยตามชนบทบางคนเนี่ยนิสัยเกเรมากได้อาหารอร่อยอร่อยไม่อยากให้พวกกินทําไงไหมถมน้ําลายรสก่อนคนอื่นเขาก็ไม่กล้ากินนั้นกินเองหมดเลยคนเองอะไรก็ตามถ้าหลุดมาจากกาเนี่ยมันน่ารังเกียจเนี่ยนะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะอปฏิกโดยสีนี่นะถ้าถ้าก็งามก็มีอยู่ห้าอย่างผมคนเล็บฟันหนงังเท่านั้นแหละที่งาม ไอ้ข้างหน้านะแต่ว่าเบื้องหลังของสิ่งนั้นก็ไม่ได้งดงามอะไรนันแต่ละอย่างนี่น่ารังเกียจมันคำว่ากายแปลว่าที่อยู่ของสิ่งที่น่าเกลียดแล้วก็เป็นที่เกิดของกิเลส ท, ที่น่าเกลียดทั้งหลายหรือคำว่าถ้ำถ้ำก็เป็นชื่อของกายนะเพราะว่าเป็นที่อยู่ของกิเลสร้ายกิเลสร้ายมันอยู่ในในร่างกายนี่แหละถ้าไม่มีกายเนี่ยนะกิเลสร้ายไม่โผลออกมาหรอก หรือบางอีกสับหนึ่งเขาเรียกว่าเรียกว่าร่างกายที่เรียกว่าร่างกายนี่เพราะถูกกิเลสมีราคะร้ายเป็นต้นเนี่ยมันแผดเผาอยู่นนะราคะเผากายนะก็โทสะก็เผาโมหะก็เผาคนที่อยากมากมากเนี่ยถามว่าเราดูกิริยาการของเขานะถูกเผาคนกโกรธมากๆเนี่ยอาการเป็นยังไงคนที่โลภคนที่หลงเป็นต้นเนี่ยอันก็ถูกกิเลสเนี่ยมีราคะเป็นต้นเนี่ยแผดเผา และอย่างหนึ่งกายเนี่ยบางทีก็เรียกว่าร่างกายของตนหรือกายของตนอะ่ะเพราะว่าทำให้เกิดความม UA ัวเมาเ e คนมีผมสวยก็เมาในเรื่องผมคนมีเล็บสวยก็เมาในเรื่องเล็บมีฟันสวยก็เมาในเรื่องฟันนั่นแหละมีผิวสวยก็เมาในเรื่องผิวมีสวดทรงสวยก็เมาในเรื่องสวดทรงอีก น, นะและพอเกิดมาเนี่ยเป็นที่ตั้งเมาถ้าเกิดตระ ก, กูลดีก็เมาในเรื่องตระกูลอีก นะนามสกุลดีก็เมาในเรื่องนามสกุลชาติหรือวันณนะสูงก็เมาในเรื่องวันละเอกมีศิลปะความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเนี่ยนะพอเมาแล้วก็ประมาทคันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาพอเมาเสร็จก็ประมาทปล่อยใจไปในกาลมาคุณห้าอนั้นก็เลยเรียกว่าร่างกายของตนเพราะว่ามันทําให้มัวเมานะหรือร่างกายบางทีก็เรียกว่าเป็นเรือเพราะว่าเป็นที่สัญจรไปในวะตะัตฏะ เป็นเรือนะเที่ยวไปในวัดตะใช่ไหมมันไหลไปตามกระแสแห่งวัดตะเพราะร่างกายนี่แหละมันสืบเนื่องใช้ทิ้งกายอันนี้ถือเอากายอันใหม่ทิ้งกายอันใหม่ทิ้งกายอันนั้นถือเอากายอันอื่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เลยเรียกว่าเรือเพราะว่าเป็นที่สัญจรไปในสังสารวัตกายนี้เรียกว่าเป็นรถเพราะว่ามีอิริยาบถสีสลับกันไปให้เหมือนรถนั่นเนะ ยืนมาผุดยุกพุดยืนผุดเดินพุดนั่งพุดนอนสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยเลยเหมือนรถอ่ะนะอยู่นิ่งไม่ได้เรียกว่าสี่ะยนมีจักรสี่ทวารเก้าเนี่ยมันก็มุนไม่ละอิรยาบทเนี่ยมันก็เลยเรียกว่ารถมันเห็นรถเมื่อไหร่ก็นึกถึงกายนี้นะ่าเออกายนี่มันอยู่ด้วยอิรยาบทสี่นะมันไปเหมือนรถเลยเหมือนกันกายเนี่ยเป็นเหมือนธงอ่ะนะเพราะมันลอยเด่นนะที่เรียกว่าเหมือนธงไงนะอะไรนะเสนอหน้าเสนอตาเนี่ยชัดเจนเลย ชอบเสนอหน้าเสนอร่างกายเนี่ยเข้าไปเสนอตัวเข้าไปนะก็คือทําตัวเด่นนะก็เลยกายเนี่ยเหมือนกับเป็นธงนะเป็นเหมือนธงอีกอย่างหนึ่งร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนกับจอมปลวกเนี่ยนะจอมปลวกก็คือเป็นที่อยู่ของกิเลสเป็นอันมากนั้นคําว่าเป็นที่อยู่เหมือนจอมปลวกเนี่ยนะในอัตถกถาจะอธิบายเหมือนมือนกันไม่ว่าจะเป็นอัตกถา วัมมิกสูตรหรืออัตกถาในขันทวรวัชหรือว่าในเนี่ยอัทกะวักเนี่ยนะคำพีมหานิเทศอัตกถาจะอธิบายเหมือนกันที่บอกว่าชื่อว่าจอมปลวกเพราะว่าเป็นที่อยู่ของเหล่ากิมมิชาติทั้งหลายร่างกายนะเป็นที่อยู่ของกิมมิชาติคื อ, อพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะประมาณแปดสิบตระกูลเนี่ยที่อยู่ในร่างกายอันนี้นะ เช่นว่าตะกลุ่มสัตว์ที่อาศัยผมก็อยู่ที่ผมกลุ่มสัตว์อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังอาศัยเนื้อก็กินเนื้อเป็นต้นะนะนพันกายเนี่ยเป็นที่อยู่ของกิมมิชาต์มันคาว่ากิมมิชาติก็ทั่วไปบางเจ้าก็นิยมแปลว่าหมูนอนแต่จริงก็คือพวกสัตว์ต่างๆนั่นแหละที่กัดกินอยู่ในกายนี่นะพาันคำว่ากายเนี่เป็นจอมปลวกเหมือนในคาที่พระองค์ตรัสในวอมิกระสรูว่าดูก่อนภิกษุ คำว่าจอมปลวกนี้เป็นชื่อของกายซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่เหมือนอย่างว่าจอมปลวกภายนอกท่านเรียกว่าจอมปลวกด้วยเหตุ4ประการจอมปลวกข้างนอกนะคือจอมปลวกก็คือที่มันสูงสูงอีสานขึ้นกว่าโพลเนี่ยด้วยเหตุสอย่างคือหนึ่งคายออกสองเป็นผู้คายสมคายความริษยาสี่คายน้ำมันสำหรับเชื่อมออก พูดถึงว่าจอมปลวกเนี่ยนะชื่อว่าจอมปลวกเพราะคายสัตว์ต่างๆมีงูพังพรหนูตุกแกเป็นต้นเนี่ยเวลามันออกมันก็ออกจากพวกเนี้ยพวกจอมปลวกนี่เห็นปั๊บเนี่ยถ้ากลางคืนเนี่ยไม่รู้อะไรมันจะไหลออกมาบ้างอนะพวกนกหนูปูปีกเนี่ยพวกงูพวกแมลงป่อ ง, ต, องตะเข็บตะขาบทั้งหลายก็ไหลออกมาจากพวกไอ้จอมปลวกอันนั้นแหละนะหรือว่า เชื่อว่าจอมปลวกวาดว่าตัวปลวกทั้งหลายเนี่ยใช้จงอยเนี่ยปากคาบดินก้อนเล็กๆมาคายก่อตัวขึ้นสูงประมาณเอลบ้างชั่วบุรุษบ้างถึงฝนตกเจสัปดาห์ก็ไม่พังทลายเพราะมันน้ำมันน่ะน้มันคือน้ำลายที่ตัวปลวกทั้งหลายเนี่ยคายออกมาเชื่อมยึดไว้แม้ในฤดูร้อนเมื่อเอาดินเนี่ยกำมือ กำมือหนึ่งอะนะมาจากจอมปลวกแล้วมาบีบด้วยกำมือที่จอมปลวกนั้นน้ามันก็ไหลออกนะเพราะฉะนั้นคําว่าจอมปลวกก็คือพวกปลวกทั้งหลายเนี่ยมันมันคาบดินแล้วมาต่ออ่มามาวางไว้ใช่พอมาวางปับ๊บมันก็เอาอะไรมาเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมน้ําลายเนี่ยมาก่อแปะแปะแปะแปะี่แข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงมากแข็งกว่าดินธรรมดาทั่วไปอย่างมากอะตอนทีทนี้กายนี้ก็เหมือนกัน ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกับจอมปลวกเพราะเหมือนกับมันคายของไม่สะอาดมีประการต่างๆออกจากร่างกายนี้นะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าขี้ตาจากตาขี้หูจากหูน้ำมูกจากจมูกบางคราวก็สำรอกออกจากปากพวกเหงื่อพวกเสลต์เหงื่อน้องฝีก็ซึมออกจากกายนี้นะแล้วก็ถ้า จะลึกเข้าไปเนี่ยร่างกายแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมันถ้าของไม่สะอาดเหล่านั้นอ่ะมันไหลออกมาเนี่ยไม่ต่างอะไรจากจอมปลวกคายสิ่งที่น่ารังเกียจออกมาพระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าและพระขีนาสพคายทิ้งอัตภาพด้วยการสละความใข้ในอัตภาพดังนั้นจึงชื่อว่าจอมปลวกเพราะอาธิว่าอันท่าอริยะทั้งหลายเนี่ยคายแล้ ว, วนะนะ พระพุทธเจ้าพระประเจกกับพระุทธเจ้าพระอริยะสาวกทั้งหลายเนี่ยนะท่านคลายความยึดถือในในร่างกายอันนี้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจะด่าท่านท่านก็ไม่ไม่โกรธเขาจะชมท่านท่านก็ไม่ฟูขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าชมก็ชมในเนี่ยชมไอ้สิ่งที่ท่านคลายไปแล้ววะชมชื่นชมในสิ่งที่ท่านไม่ย er ึดถือนะเพราะฉะนั้นพระอริยะทั้งหลายท่านคลายตัณหาในร่างกายเนี่ยโดยสิ้นเชิง อันหนึ่งกายนี้อันกระดูกสามร้อยท่อนเนี่ยตั้งไว้มีเอ็นเป็นเครื่องผูกมีเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาหุ้มห่อไว้ด้วยหนังสดย้อมไว้ด้วยผิวล่อลวงเหล่าสัตว์เนี่ยนะล่อลวงเหล่าสัตว์นะร่างกายตัวเองก็หลอกลวงตัวเองด้วยหลอกลวงผู้อื่นด้วยร่างกายผู้อื่นก็หลอกลวงผู้อื่นด้วยหลอกลวงเราให้ไปติดไปข้องกับกายเหล่านั้นด้วยเพราะนั้นกายทั้งหมดนั้นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยคายแล้วทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจอมปลวกกาทว่าค า, า, ายความริษยาออกอนะคายความริษยาคายความยึดถือคายความติดคายความขล้องออกไปจากร่างกายอันนี้